ตอนนี้พระเยอะนะไม่มีที่จะให้อยู่หล้วเนะมื่อวานออกไปสอง้ว เ, เข้ามาสองถ้าตั้งโรงแรมแล้วขายดียนี้รวยนะพระอยู่กับหลวงพ่อลวงพ่อคุมเข้มนะดูสีเรียบร้อยไหม ดูที่จิตนะนย่าดูร่างกาย <c oughs> จะสําคัญต้องมีสติขาดสติตัวเดียวนะคุณงามความดีเท่าไหร่ไม่มีเหลือหรอกต้องมีสติทุกความเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวมีสติจิตใจเคลื่อนไหวมีสติขาดสติ ก็ไม่มีเหลือแล้วศีลสมาธิปัญญาเมื่อคันหลวงพ่อพูดเรื่องให้รู้สึกตัวนะไม่เผลอไม่เพ่เพงอะไรนี้เป็นสภาวะที่จิตตื่นขึ้นมามีสติมีสมาธิก็มีสติมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ไปเดินปัญญาได้ สอนแรกๆคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อสอนแปลกยูกนนเขาคุ้นเคยแต่ ว, ว่าพุทโทแล้วมาพีจารกายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ากรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนมีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ใช่หลังๆพอหลวงพ่อไม่ยอมนะหลวงพ่อก็เทศหลวงพ่อแบบนี้แหละไปเรื่อยๆหลังๆเริ่มมีคนเปพุทธ ธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ถูกลืมเรื่องสติทั้งนั้นแหละเรื่องผู้รู้เรื่องสติพอเรามีสติโดยอยพาะมีสติรู้ทันใจที่หนีไปสมาธิที่แท้จริงก็เกิดขึ้นมาอย่างเมื่อก่อนครูบาอาจารย์สอนพุทโธพุทโธพุทโธนะคนรุ่นหลังๆนะี่มันไม่ได้หลัก ที่ผู้บาอาจารย์สอนพุโทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือตัวจิตซึ่งมีสติมีสมาธิจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปคิดว่าพุโทโธเพื่อให้จิตไปอยู่กับพุโทโธนิ่งๆไม่ใช่พุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตธรรมะ ม, มันเคลื่อนไป รูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนชัดนะท่านบอกพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจเนะอย่ยงอาจารย์บุญจันทร์สอนพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจหรือครูบาอาจารย์อื่นๆนี่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นท่านสอนพุโทโธอย่งคุณแม่จันร์ดีนะเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายัางไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านเลย หลวงพ่อบอกหลวงพ่อใช้อนาปานสติหลวงพ่เรียนกับท่านพรอหลีท่านพรอหลีสอนอนาปานสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีพุทโทมกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองให้ใจมีที่อยู่พอจิตมันสงบลงมาการนับก็หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจ จิตสงบ ม, มากขึ้นลมหายใจหายแปเป็นแสงจิตจะรู้แสงสว่างอย่างแสงมันมาอยู่แถวปลายจมูกเนี่ยแล้วถัดจากนั้นเราก็รู้แสงนะล้วก็จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้เนี่ยเล่าให้คุณแม่จันดีฟังท่านบอกเท่านัน้นเดียวกันราก็ตามหาบัวสอนให้ท่านพุทโธ ท, ท่านก็กำหนดจิตไว้แถวนี้แหละ พุทโธพุทโธแล้วใจเคลื่อนเรารู้พุทโธใจเคลื่อนเรารู้ถ้าว่ากท่านไม่ได้ไปใช้ลมหายใจแต่ท่านใหยพุทโธเลยแพ้นครูบาอาจารย์ที่ดีจริงๆเนอะท่านไม่ได้พุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่เป็นริทึ่มข้อจังหวะไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแลกล่อมจิตให้นิ่งๆท่านพุทโธแล้วท่านรู้ทันใจที่เคลื่อน ใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดในที่สุดใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นเจริญปัญญาการเจริญตัญญานะั้นถ้าหากสมาธิมันมากก็ต้องดูกายไปดูจิตไม่ได้ เม่เนย่ยครูบาอจารย์ท่านทำสมาธิมากๆเนี่ยออกจากสมาธิมาท่านต้องมาดูกายแต่ดูกายทีแรกกายยังไม่ยอมสแสดงใจรักเลยเพราะจิตมันนิ่งเกินไปท่านเลยคิดพิจารณา ก, กายกระตุ้นให้จิตหันดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายนี่พอจิตดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายได้แล้วไม่ใช่เวลาคิดแล้วแต่เป็นนี้เป็นเวลารู้ดูกายที่กายเป็น กลายเป็นอะไรกลายเป็นวัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวกายนี้ถูกความทุกข์บิบคันอยู่ตลอดเวลากลายเป็นก้อนทุกข์นี่ความจริงของร่างกายเนี่ยท่านเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวท่านเห็นใตรลักจิตใจที่เป็นคนดูขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหว ท่านก็เห็นใจรับท่านรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่ใช่รู้กายอย่างเดียวถ้าภาวนาเนี่ยมาไม่ถึงจิตถึงใจนะเรียกว่าไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติครูบาอาจารย์ปั่นธงขนาดนี้เลยนะการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองไม่ได้สาระแก่นสารเพราะฉนั้นจะมาดูแต่กายเรียกว่าไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติใครเป็นคนดูกายจิตเป็นคนดูกาย และรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละบางท way, well, ีร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเด่นขึ้นมาสติก็ระลึกรู้กายเห็นความจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางทีจิตก็เด่นขึ้นมามีกิเลสอะไรแรงๆขึ้นมามันเด่นขึ้นมาก็มารู้จิตเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสิ่งเดียวกันนะคือเห็นไตรลักษณ์ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นธรรมะมันลงที่เดียวกัน เวลาจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เห็นหรือว่ากายไม่ใช่เรานะกายไม่ใช่เรานะ่ยพระพุทธเจ้าบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับอย่งคนศาสนาอื่นเขาก็สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เราได้เนี่ได้โสดาบันขึ้นมาเพราะเห็นขันห้าไม่ใช่เรานะขันห้ามันทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเพน้เวลาดูกายนะจะมีใจเป็นคนดู นี <c oughs> ่เห็นทั้งกายทั้งใจนั่นแหละแต่ว่าตัวไหนเด่นก็เห็นตัวนั้นตัวไหนทํางานเด่นขึ้นมาไม่ได้จงใจว่าจะต้องรู้แต่กายอย่างเดียวต้องรู้แต่ใจอย่างเดียวสายกายสายจิตมันเป็นคําพูดของคนเรื่องภาวนามไม่เป็นถ้าคนภาวนาเป็นคือเรื่องสองสตินั่นอะไรสติสมาธิปัญญาไม่มีสายกายสายจิต ร่างกายเคลื่อนไหวเด่นชัดขึ้นมาสติก็รู้กายมีเวทนาเด่นชัดขึ้นมาความสุขความทุกข์เด่นชัดขึ้นในกายสติก็รู้เวทนาความสุขทุกข์หรือความสุขทุกข์เด่นชัดขึ้นในจิสตสติก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นในจิตกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตมันเด่นชัดขึ้นมาสติก็ระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิต แล้วถ้าภาวนาได้ละเอียดว่องไวสติว่องไวสมาธิดีพอเราจะเห็นการทำงานของจิตจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้นก็เห็นใจรักษของจิตอีกงัอนดูลงมาที่กายก็เห็นใจรักของกายดูไปที่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็เห็น ไตรลักษณ์ของเวทนาดูไปที่จิตสังขารคือความปรุงดีพรุงชั่วก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเห็นอย่างนี้มีเองไปเองสั่งไม่ได้หรือเห็นจิตที่ทำงานนะหเห็นวิญญาณนั่นนี่วิญญาณก็คือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจ งั้นยงเราจะเห็นวิญญาณเป็นไตรลักษณ์ตรงๆนะเห็นวิญญาณที่เกิดทางอายตนะจิตที่ไปรู้รูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเสียงเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดนึกปรุงแต่งทางใจเกิดแล้วดับเราดูพระพุทธรูปข้างหลัง เราดูพระรพุทธรูปแล้วจะสังเกตไหมเราเห็นพระรพุทธรูปชัดไปแปบบ๊แบๆบชัดนิดเดียวแล้วก็เบลอๆไปต้องตั้งใจดูใหม่หรือจะเห็นใหม่แล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวแวบบเดียวก็ดับไปรู้สึกไหมโดยจะฟาะตอนที่ไหลไปคิดนะภาพพระจะเบลอไปเลยแม้นจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว จิตเกิดทางตาไปรู้รูปการรู้รูปของจิตที่เกิดทางตาเนี่ยหรือวิญญาณทางตาเนี่ยรู้ได้ครั้งละขนาดจิตเดียวแวบเดียวเท่านั้นเห็นเกณฑ์ไหมชัดแวบเดียวแต่สอนแบบนี้นะคนใรนะียนอภิธรรมก็จะบุยวา ย, ายว่าเว้ยชั่วแวบเดียวเนี่ยแสนโกดขหนักนั้นพูดทางทฤษฎีในทางปฏิบัติไม่มีใครเห็นหรอกมันไม่ใช่ภูมิสาวกอย่างเราจะเห็นได้ เราแค่เห็นแค่ตาเห็นรูปนะี้ยยังเห็นได้ไม่ชัดเลยเราหันหน้าไปดูคนที่นั่งข้างเราลองดูซิดูหน้าเขาตั้งใจดูถึงที่เกลียด ก, กันก็ดูนะดูไปลองดูคนข้างๆเราเรี่ยบเปลี่ยนคนดูคนไหนดูคนนั้นแล้วเราลองดูว่าเราเห็นหน้าเขาที่เราว่าเราเห็นหน้าเขาเห็นเปล่าว่าเราเห็นจุดเล็กนิดเดียว เห็นทีละจุดทีละหน่อยทีละหน่อยนะ้นแล้วเอามาต่อเหมือนจิกซอ้นะเราเห็นหน้าเขาเนี่ยเหมือนต่อจิกซออาศัยสัญญามาจําดูรูปปุ๊บสัญญาจําดูอีกหน่อยหนึ่งสัญญาจำต่อต่อต่อต่อกันเต็มหน้าขึ้นมาอ๋อนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนะนี่ชื่อนี้ชื่อนี่เนี่ยอาศัยสัญญานะตาเห็นรูปเห็นนิดเดียวเองงั้นตาเห็นรูปจริงจริงไม่มีทีเลอก กิเลสมาเกิดที่หลังตาเห็นรูปเห็นได้แวบเดียวเท่านั้นแล้วเห็นได้จุดเล็กๆเกท่านั้นแหละสังเกตดูวเวลาเราอย่างมองหน้าหลวงพ่อสังเกตไหมเราย้ายจุดที่มองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวาเดี๋ยวมองแก้มเนี่ยมองหน้าผากอะไรเงี้ยขยับไปเรื่อยๆเพื่ออะไรทำไมต้องขยับจะเห็นชัดแต่เห็นชัดจะเห็นจุดเดียว แล้วก็เลื่อนๆไปเขาขยับตาดูที่อื่นต่อไปอาศัยสัญญาจำได้ค่อยๆมาประติตประต่อภาพขึ้นมาอ๋อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยค่อยๆดูไปนะจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกไปดมกลิ่นดมแล้วก็ดับ ในอากาศนี้มีกลิ่นนะใครได้กลิ่นน้าถ้าอยู่นั่งใกล้ๆกันคงกลิ่นกันเองเหม็นๆหน่อยออยู่ห่างออาวันนี้อย่างหลวงพ่อเนี่ยได้กลิ่นหอมได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ํำอบกลิ่นอะไรกลิ่นธูปกลิ่นอะไรอย่างนี้นะหอมได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยอย่างของเรานั่งใกล้กันบางคนไม่อาบน้ํารีบมาแล้วมีกลิ่น กลิ่นเป็นรูปอย่างหนึ่งนะรูปทุกชนิดมีกลิน่นสะังเกตไหมกลิ่นเกิดอับเนี่ยน้าหายใจอยู่แล้วได้กลิ่นนะ่ะรู้สึกไหมกลิน่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ทีละนิดนะเวลาบางทีได้กลิน่นยังไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเคยเป็นไหมต้องดมหลายๆคราวสัญญาถึงจะแปลได้ ก็เหมือนที่ตามองเห็นมองแวบหนึ่งบางทีไม่รู้อะไรต้องดูซ้ำๆๆนะนึกว่าผีมาเห็นทำมือโ ย, โ ย, โยกๆอะไรดูซ้ำๆเป็นต้นกล้วยนย<ม>่งเงั้นวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดทีเรแวบเกิดแลวดับเกิดรล ด, ดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อรูป คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทูกเป็นอนัตตานะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามันกันความจำได้ความหมายรู้นะก็ไม่เที่ยงอย่างบางทีเคยเป็นไหมเราเห็นหน้าคนหนึ่งเรานึกชื่อออกนะแวบเดียวลืมไปแล้วใครเคยเป็นบ้างยกมือสิเครื่องวัดความชารานะชาราธ ร, รมโมมหิ ชลางอนาติโตมีความแก่เป็นธรรมดาจะล้คพลความแก่ไปไม่ได้ทีก็จำได้ทีก็จำไม่ได้อย่างหลวงพ่อนะตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ยจำชื่อเพื่อนไม่ได้จำได้แต่ชื่อพ่อมันเคยไปเยี่ยมเพื่อนนะที่บ้านไปตะโกนเรียกไอ้ชาญอยู่ไหม พ่อมันโผลออกมาอย้โวยพ่อมันชื่อฉาน <laughs> สัญญาความจําได้ที่ก็จําไม่ได้ความหมายรู้บางทีก็หมายรู้ผิดหมายรู้ถูกบ้างหมายรู้ผิดบ้างสัญญาที่พวกเรามีเป็นสัญญาทวิพลาศเป็นสัญญาที่หมายรู้ผิด สัญญาหมายรู้ผิดเนี่ยไม่ใช่หมายรู้ว่าคนนี้ชื Rule ่อคนนี้นะชื่อนี้จําชื่อผิดอะไรไอ้นั้นไม่ไม่สําคัญเท่าไหร่สัญญาวิปลาสที่สําคัญคือการหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามสุปะกหมายรู้ว่าสวยว่างามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเรารู้สึกว่าจิตเราเที่ยง เพราะมันเกิดดับเร็วสันสันตติสันตติมันเกิดสันตติคือความต่อเนื่องอย่างรวดเร็วมันทําให้เกิดภาพลวงตาขึ้นมาคิดว่ามีอยู่จริงๆเที่ยงในจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาแต่ไม่เห็นไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาแต่ออเราไม่รู้เพราะมันเกิดดับต่อกันเร็วมีสันตติสันตติเลยบังอ น, นิดจังไว้มองไม่เห็น หมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอย่างร่างกายนี้เป็นทุกข์เราไม่เห็นร่างกายนี้ทุกข์ตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์แต่พอมันทุกข์ขึ้นมาอย่างเราคันเงี้ยขันนี่ทุกข์หรือสุขขันนี่ทุกข์ใช่ไหมขันแล้วเราทําไงเกั้านี่พวกเราชิน กัคันปุ๊บเกาปั๊บเราไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เวลาเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเราก็ขยับตัวไปมาทำไมเราต้องขยับตัวไปมาเพราะมันเมื่อยแม้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์ถูกความปวดความเมื่อยบีบคันนะแต่ว่าเราใช้การเปลี่ยนอิริยบทใช้การเคลื่อนไหวการขยับแก้อา ก, การของความทุกข์ไปด้วยความเคยชินเป็นอัตโนมัติเพราะว่ามันทามาตั้งแต่เด็กแล้ว เด็กนี่นอนแล้วกระดุกกระดิกไหมทำไมเด็กต้องนอนกระดุกกระดิกเพราะมันเมื่อยเด็กอยู่ในท้องกระดุกกระดิกไหมออถ้ามันมีกล้ามเนื้อพอมันก็กระดุกกระดิกแหละเพราะมันเมื่อยนะมื่อยง้นอย่างี้ขันถ้าเรามีสติเราก็เห็นว่ามันทุกข์นะถ้าเราไม่มีสติเหมือนลิองอ่ะ ไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกว่าทุกข์นั่งอยู่ก็ไม่เห็นว่าทุกข์ถ้ามีสติอยู่ยังรู้สึกเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเพืนะ่อยเดี๋ยวอย่างน้อนเดี๋ยวอย่างนี้ทุกข์นี่นอิริยาบทคือการเคล็ดไปนะันไปปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์ในร่างกายในใจก็เหมือนกันเวลาที่เรารู้อารมณ์อะไรอย่างหนึ่งนะรู้ซ้ำๆรู้นานๆเบื่อไหม ดูหนังเรื่องเดียวดูนานๆไม่รู้จักจบสักทีเบื่อไหมอย่างดูพระนเรศวรอยากดูตั้งแต่ต้นจนจบปันเดียวจะดูให้หมดนะดูจนถึงเที่ยงคืนแล้วยังไม่จบเลยเนียยาวมากอย่างเงี้ยดูแล้วเหนื่อยดูหนังนานๆเหนื่อยไหมวิธีแก้เหนื่อยของใจทำไงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอิริยาบถเหมือนกันอิริยาบถของใจคือเปลี่ยนอารมณ์ ทำอย่างนี้เบื่อเปลี่ยนอารมณ์ไปใช้อารมณ์อนื่นดูหนังมากๆแล้วเบื่อไปฟังเพลงฟังเพลงมากๆเบื่อไปหาอะไรกินดี ก, กว่าเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนอารมณ์ใจใจะได้มีความสุขนี่ถ้าเราคอยมีสติราลึกรู้อยู่เราจะพบเลนะ้วะจิตเนี่ยเสพอารมณ์อะไรก็ไม่มีความสุขจริงมีความสุขอยู่ชั่วครู่ชั่ว ย, ยามแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้ว ต้องเปลี่ยนอารมณ์อีกแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอารมณ์นะมันก็เหมือนร่างกายเปลี่ยนอิรยาบถมันปิดบงังทำให้เราไม่เห็นว่าทีจริงแล้วจิตทุกเวลาเบื่อบางทีไม่รู้จะทำอะไรก็ทำใจลอยใครใจลอยเป็นบ้างเก่งนะใจลอยอยังได้เวียนไหวใยเกิดอีกยาว <laughs> ใจลอยมันก็เป็นวิธีเปลี่ยนอารมณ์นะ ไม่รู้จะจับอะไรก็ทําใจลอยลอยไว้ใจลอยทั้งวันก็เบื่ออยู่แหละไม่ต้องหาอะไรที่กระทบที่แรงแรงขึ้นใหม่จิตมันก็ต้องกระทบอารมณ์นะไม่งั้นมันก็เบื่อมันก็ทุกข์ร่างกายมันต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ร่างกายก็เปลี่ยนอิทธิยปนนี่อิทธิยปนปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์มีสติะระลึกรู้ไปก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ อาจจะเปรียบียาบทเห็นทุกข์ซะก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะเรียนรู้ความเข็งซะหน่อยไหนๆก็ทุกข์แล้วก็เอามาให้เกิดปัญญาซะหน่อยนะเอาความทุกข์เป็นหินรับมีดนะให้สติปัญญามันแหลมคมขึ้นมาอนาตาก็ถูกปิดบังความไม่ใช่ตัวใช่ตนถูกปิดบังนะมันปิดบังด้วยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่า ง, งร่างกายเ่าเนี้ย มันประกอบด้วยรูปจํานวนมากมีธาตุจานวนมากมีรูปจํานวนมากประกอบกันะเดี๋ยวตรงนั้นทุกเดี๋ยวตรงนี้ทุกเดี๋ยวนั้นทุกเดี๋ยวตรงนี้ทุกในร่างกายเรามีเซลล์ที่เกิดจับล้มหายตายจากอยู่ตลอดเวลาแต่เราเขาไม่รู้หรอกเพราะมันมีกลุ่มที่โตๆเ ว, ว, วลามองเป็นกลุ่มๆนะมันรู้สึกเป็นตัวตนที่แท้จริง จิตนี้ก็รวมกลุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะรวมกับอารมณ์ต่างๆรวมกับเจตสิกนะมีจิตจะต้องมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆต้องเกิดร่วมกันนะมีจิตจะต้องมีความจําได้หมายรู้เกิดร่วมกับจิตนะมีจิตจะต้องมีสังขารบางอย่างเกิดร่วมด้วยเช่นความจงใจนะหรือความเป็นหนึ่งในการรู้อารมณ์เรียกเอกภพตายเนะ งั้นเวลาเกิดจิตนะมันจะมีทีมงานรวมเป็นกลุ่มๆไอ้กลุ่มๆนี่แหละหลอกเราลำพังจิตดวงเดียวเราสามารถแยกได้จนถึงจิตนะแต่เพราะว่าจิตไม่ใช่เราแต่พอแยกไม่ได้มันไปรวมเข้ากับความจำความคิดความรู้สึกสุขทุกข์อะไรมันก็โมเมขึ้นมาว่าจิตนี่คือเรางั้นตัวที่มันบงัง ทำให้เรามองไม่เห็นอนัตตาเรียกคณะครละรังนอนหนูความเป็นกลุ่มก้อนความเป็นกลุ่มก้อนของรูปความเป็นกลุ่มก้อนของนามเลยดูยากนั้นเราต้องแยกธาดแยกขันต์ออกไปนะน่าจะพะว่าตัวเราไม่มีที่หลวงพ่อสอนแยกธาดแยกขันต์เลยเนะี่ยทําทลายความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตน จะเห็นอนัตตาได้ไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่พูดให้ฟังนี้ไม่ใช่เรื่องยากเด็กเจ็ดวขวบก็ทำได้ในสมัยพุทธกาลเด็กเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์ก็มีของเราเจ0เจ็ดสิบแล้วยังไม่ได้โสดาเลยนะเพราะอะไรปุญวัสนาเรามันน้อยเราไม่ได้ฟังธรรมะดีๆหรือฟังธรรมะดีๆแล้วเราขี้เกียจเราไม่ได้ปฏิบัติเราเชื่อกิเลส เราไม่เชื่อธรรมะขนะี้เกียจปฏิบัติเนี่ยถ้าเชื่อธรรมะนะขยันรู้ขยันดูไปไม่ใช่เรื่องยากการรู้รูปยากไหมตอนนี้บางคนนั่นนงพัดเพเยอะพะยามอยู่หยพัดไปใจลอยไปก็มีเช่นจัญยาเป็นต้นเนะีย่ยใครรู้สึกเอารู้สึกเอานะ รู้สบายๆรูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่มีเพ่งให้นิ่งๆทื่อๆแข็งๆจะพัดกัเรคิดว่ารู้รูปไม่รู้หรอกอันนี้เพ่งรูปรู้รูปไม่มีน้ำหนักขึ้นในใจรูปรูปไม่มีน้ำหนักขึ้นในใจใจมันแบบน้ำหนักของรูปได้ไหม ไอ้ตัวนี้มีน้ำหนักไหมเรารู้ได้ใจใจเราหนักไหมไม่ ใ, ใจเราไม่ไปยุ่งด้วยไม่หนักใจเข้าไปจับเลยหนักเรายาพัดเนี้ยถ้าเรารู้รูปใจไม่หนักนะแต่ถ้าจงใจรู้ใจจะแน่นแน่นหนักหนักเรียใจทําหน้านที่ผิดแล้ยแทนที่จะดู้เฉยๆก็ตันเข้าไปแบกด้วยมันรอบจะโง่ แต่ไม่ได้ว่ามันโง่นะมันโง่จริงไม่ได้แกล้งว่ามันโง่เพมันโง่จริงเขี้ยวแบกโน่นแบกนี้ไปเรื่อยไปดูของจริงดูรูปของจริงอนี่มีเสียงให้ฟังฟังเสียงฟังเสียงนี้จะเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมเดี๋ยมีเสียงดังเสียงค่อย ดูซิจิตที่ได้ยินเสียงยังมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาเลิกตีซะแล้วสังเกตไหมว่าอย่างเวลาเสียงระครังกระทบเนี่ยใจเราก็ไหวระครังมันคลางง้างๆ ๆ, ๆๆเนี่ยใจเราก็พลิ้วพลิ้วพลิิไม่ให้รู้ทันไปใจเราเคลื่อนไหวตามองเห็นรูปจิตก็ไหว หูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจกระทบสัมผัสใจคิดจิตก็ไหวเนะี่ยจินทํางานไม่ห้ามนะจะเห็นมันทํางานไปเรื่อยๆค่อยรู้ค่อยดูสบายๆนะรู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายทํางานไปนะรู้สึกในความสุขความทุกข์ทางกายทางใจนะรู้สึกในความจําได้หมายรู้ตัวนี้ดูยากก็เว้ไปก่อน รู้สึกในความปรุงดีปรุงชั่วเช่นได้ยินเสียงระฆังแล้วเพราะถูกใจอย่างเงนะหรือถ้าตอนเช้าเนี่ยได้ยินเสียงระฆังนะฟังแล้วดีนะบางคนน้ำลายไหลเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะได้กินข้าวแล้วเคยเรียนไหมจิตวิยาได้ยินเสียงระฆังแล้วน้ำลายไหลนะเคยเรียนบ้างเ่ตัวอะไรใครน้าลายไหลบ้างเมื่อกี้เนี่ยได้ยินะระฆัง <c oughs> มีไหม คือพอพวกนั่งใกล้ๆอาหารเนี่ยไม่ต้องฝืนมันน้ำลายไหลก็รู้เอานะไม่ต้องติดเตียนตัวเองว่าแหมทำตัวเหมือนหมาไม่ใช่ไม่ได้คิดมากไ่เพอเรียนรู้รู้ลงปัจจุบันเป็นขนาๆขนนะรู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้เวทนาความสุขทุกข์อย่างที่มันเป็นรู้จิตที่เป็นกุศลอนะกุศลอย่างที่มันเป็น รู้การทำงานของวิญญาณคืจิตที่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เขาเป็นเรียนะรู้เรื่อยๆไปสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏกิเลสมันปิดบงังไม่ให้เราเห็นความจริงสติสมาธนะิปัญญาที่เราสะสมไปด้วยบุกเบิกเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปด้วยมันจะทำให้เราเห็นความจริง กิเลนทนสติปัญญาไม่ไหวหรอกแต่เราก็ต้องทนในการฝึกสติสมาธิปัญญาของเราวิธีฝึกสติก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆหัดรู้อยู่เรื่อยๆรู้ทั้งวันรูปเคลื่อนไหวก็รู้นามเคลื่อนไหวก็รูนะ้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สติจะเกิดฝึกสมาธิก็คือฝึกให้ใจมีเรื่องอยู่สักอย่างหนึ่งอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้แบ่งเวลาไ้ฝึก แล้วพอจิตหนีไปจากอารมณ์มนั้นก็รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วไม่ใช่ฝึกแล้ห้ามจิตเคลื่อนไปนะ้อย่างนั้นจะเครียดสมาธิจะไม่เกิดจิตเคลื่อนก็ได้แต่เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปพุทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนเรารู้หายใจไปจิตเคลื่อนเรารู้นะเหมือนที่หลวงพ่อฝึกว่าจิตมันกลายเป็นลมหายใจกลายเป็นแสงนะจิตเคลื่อนไปเรารู้หรือเหมือนที่คุณแม่จันดีท่านสอน ท่านพุโทโธแล้วจิตเคลื่อนเรารู้ไงสิ่งที่ได้คือสมาธิที่ถูกต้องนะพอมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเจริญปัญญาได้แล้วเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปนะรูปที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานมามธรรมคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายสังขารคือความดีความชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายเกิดแล้วดับ บังคับไม่ได้วิญญาณคือจิตที่รับรู้อารมณ์ทางๆหูจมูกลิ้นใจใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะหมุนเวียนไปเรื่อยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะรู้อะไรก็ได้ในขันห้าเนี้ยรู้เข้าไปทุกอย่างที่เราไปรู้แสดงไจรักษทั้งสิน้นเมื่อรู้ไจรักเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ถ้าไม่เห็นไจรักไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานจะไม่นะ งันดูท้องพองยุบไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานนะยกเท้าอย่างเท้าไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานก็เห็นรูปที่พองยุบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปที่เคลื่อนไหวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตที่ไปรู้รูปนะที่พองยุบเห็นจิตที่ไปรู้รูปที่เคลื่อนไหวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนั้นแหละถึงจะเป็นวิปัสนาสังเกตไห้ใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย รู้สึกไหมวันนี้ที่หลวงพ่อสอนให้นี่นะเป็นครีมเลยนะของการทำกรรมฐานวันหลังเขาหัดดเทปอัดใสไไว้ไปดูซ้ำๆแล้วก็ดูของจริงเทียบไปดูบางคนภาวนานะใช้เวลาไม่นานนะบางคนภาวนานไม่นาน วิธีบางคนบวชภรรษาเดียวเขเข้าใจธรรมะก็มีนะคนหลายปีกว่าจะเข้าใจคารวาดก็มีบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าพระก็เหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้างบางคนก็ปฏิบัติง่ายบางคนก็ปฏิบัติายากคนชนิดนี้มีมาตลอดสมัยพุทธกาลก็มีบางคนปฏิบัติสบาย บรรลุเร็วบางคนปฏิบัติสบายบรรลุช้าบางคนปฏิบัติลําบากอดนอนพอนอาหารเดินจงกรมอะไรหักหนักน่วงขึ้นเขาลงห้วยปฏิบัติลําบากบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติลําบากด้วยบรรลุช้าด้วยปฏิบัติสบายหรือปฏิบัติลําบากอยู่ที่ว่ากิเลสเรามากหรือน้อยถ้ากิเลสมากปฏิบัติลําบาก ให้กิเลสน้อยปฏิบัติสบายนอนกระดิกเท้าอยู่ก็บรรู้ได้นั่งเล่นๆอยู่ ย, ยังบรรลุได้เลยเพราปฏิบัติสบายเลือกไม่ได้เพราะว่ากิเลสนั้นเราสะสมไว้แล้วใช้ฝ่าสำนึกผิดหรื อ, อยังที่สะสมกิเลสถ้าไม่สะสมมากๆนะเขาปฏิบัติสบายหายใจสองสาทีจีก็รวมลนะหรือ ส่วนการบรรลุเร็วบรรลุช้าอยู่ที่อินทรีย์แก่กล้าไหมโดยเฉพาะปัญญอินทรีย์ถ้าปัญญาแก่กล้าบรรลุเร็วถ้าปัญญาไม่แก่กล้างมงายช้านะปัญญาแก่กล้าหมายถึงอะไรอย่างเราจะถือศีลเราจะทำทา น, น, นรู้ว่าเราทำไปเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาเข้าตัวนะบางคนทำทานมากมายทาไม ตัดสู้ช้าเพาโง่ทําทานไปหวังว่าจะรวยชาติน่ารวยจริงรวยแล้วคราวนี้ทําชั่วได้เยอะเลยคนรวยทําชั่วได้มากนะไม่ใช่คนจนทําชั่วได้มากแขนขายาวทําชั่วได้มากไอ้พวกที่กินบ้านกินเมืองทําลายชาติร่มจมเป็นแสนล้า น, นไม่ใช่คนจนนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่โง่โง่ทางโลกนะ แต่ว่าไม่ได้มีความไม่มีปัญญาในทางธรเพราะฉะนั้นพวกนี้ยบรรลุชา้าอย่างถ้าเราจะทําทานเรารู้วัตถุประสงค์ของการทําทานทําไปเพื่อลดละกิเลสเราจะถือศีลไม่ใช่เพื่ออวดคนอื่นแต่เราถือศีลเพื่อลดละกิเลสอย่างเนี้เรียกว่ารู้วัตถุประสงค์ของการทําความดีทั้งหลายเราฝึกสมาธิไม่ใช่จะไปพร ม, มโลกหาแต่ความสุขเราฝึกสมาธิ เพื่อจะลดละกิเลสให้จิตมีกําลังจะได้ไปล้นล้ะกิเลสเราจเจริญปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อฉลาดมากกว่าคนอื่นพูดธรรมะได้ฉาดฉานไม่มีสาระอะไรเลยเราจเจริญปัญญาเขาเพื่อลดละกิเลสเนี่ยถ้ามีปัญญากากับอยู่นะในการกระทําทั้งหลายของเราเนี่ยอันนี้แหละที่ว่าเรามีปัญญาแก่กล้านะมีปัญญินทรีย์ที่แก่กล้าจะทําสมถะล้วก็รู้ว่าทําเพื่ออะไร ทำทจริๆเพื่อลนลากิเลสแต่ว่าหน้าที่ของสมถะไม่ใช่ไปล้างกิเลสตรงๆเป็นตัวซับพอร์ตเป็นตัวให้กำลังกับจิตนะที่จะไปเดินปัญญานะทำวิปัสสนาวิปัสสนาเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อฉลาดรอบรู้แต่เพื่อเข้าใจความจริงของรูปนามจะได้ลนลากิเลสแล้วก็ข้ามพ้นวะัฏฏ์ไปนั้นถ้าคนไหนปัญญาแก่กล้านะทาอะไรรู้เหตุรู้ผลองเนี้ ก็จะบรรลุเร็วแต่ถ้ากิเลสแรงปฏิบัติยากกิเลสเบาบางปฏิบัติง่ายถ้าปัญญาแกา่กล้าบรรลุเร็วปัญญาไม่แก่กล้านะบรรลุชา้ายุติธรรมที่สุดนะเพั้นทุกสิ่งทุกอย่างยุติธรรมบางคนมาราวนา ม, มาเป็นปีแล้วยังไม่ได้เลยใจเย็นๆนหรือภาันาหลายสิบปีนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบ รีบลุกรีร้ลุกลนนะนั่นทําด้วยโลภภาวาทุกวันแต่ทําด้วยโลภเห็นไหมไม่เข้าเป้าโง่ไม่มีปัญญารู้ว่าทําไปด้วยโลภงั้นต้องมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะคือปัญญากำกับการปฏิบัติของเราให้เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมสำคัญที่สุดนะเป็ธรรมมีอุปการะมากสัมปชัญญะคือตัวปัญญานี่ เป็นตัวกำกับเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงไม่หลงลืมไม่ล้าเลยที่จะทำไม่ใช่ทำทานถือศีลอะไรเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นแต่เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเดีไปปล่อยวัวปลย่ยควายไม่ใช่เพื่อจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยช่วยไม่ได้หรอกเจ็บป่วยเพราะอะไรรูปนี้เกิดจากกกับเก่า กรรมเก่านั้นทํามาแล้วชนกกรรมส่งผลมาแล้วรูปนี้จะต้องเจ็บป่วยตอนอายุเท่านี้แหละนี่เราไม่ได้ยอมจำนนกับกรรมเก่าเราพยายามทํากรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีนี่นจะไปลดอิทธิพลของกรรมเก่าลงเงินจริงๆแล้วมุ่งสร้างคุณงามความดีไปจะได้บุญมากแต่ถ้าไปปล่อยควายแล้ว ขอให้วัวควายรับเอาความเจ็บไข้นี้ไปแทนเราเนี่ยชั่วจริงคิดขึ้นมาได้ไม่ฉลาดเห็นไอย่างเนี้ยภาวนานะปัญญามันไม่เกิดเพราะว่ามันจะเห็นแก่ตัวนี่ค่อยๆสังเกตเรานะเราทำอะไรไปเนี่ยทำด้วยความเห็นแก่ตัวเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกจะเนิ่นช้าทำไปแล้วมีปัญญากากับรู้ทันเนี่ยอย่างภาวนาเนี่ย ทำไมจิตไม่สงบสักทีเพราะอยากสงบเนี่ยรู้ทันกิเลส ท, ที่อยากกิเลสมว้วนตวดเหนอยอายนีไปจิตกสงบฝึกนะฝึกไปวันนี้มีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกคือหลวงพ่อเป็นงูสวัสดนะนั่งนานไม่ได้รับสองหลวงพ่อไม่ได้เทศแล้วละ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็แยกยาก้ยาย ก, กันปฏิบัติหรือจะไปมีปัญหา ถามพวกที่หลวงพ่อให้ช่วยนะก็ได้นะออก็มีอยู่หลายคนที่หลวงพ่อให้ช่วยสอนอยู่นะมีเยอะแยนะคุณแม่ชีก็ได้นะหลวงอาก็ได้พรนะซองนั่นก็ได้นะออมีหลายคนครวสก็มนะีไปช่วยกันไ ป, ไปเรียนเอา ช่วยตัวเให้มากนะหลวงพ่อแก่แล้วคนแก่แล้วเจ็บป่วยไปเรื่อยๆความจริงโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ควรจะเป็นงูสวัสด์คราวนี้พอเคยเป็นมาแล้วแต่หลวงพ่อไปให้คีโมมันล้างไขกระดูกหมดร่างกายเนี่ยมันลืมงูสวัสด์ไปแล้วเ ม, มโมรี่ไม่มีเพราะงั้นไม่สามารถจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้ได้เป็นวันเดียว รอบเลย้แต่หลังกระดูกสันหลังมาถึงท้องเลยในวันเดียวขึ้นปุ๊บๆุ๊เร็วเพราะว่าไม่มีภูมิันทันแต่หมอเขให้กินยาเยอะแยะเลยนะคราวนี้ไม่มีหมอมาแย่งกันรักษาพหมอไม่รู้มีหมอเดียวรักษาเลยหายเร็วรอบนี้นะรอบก่อนเคยเป็นหมอมายายามาไหลขนานเลย แต่และหมอก็มียากวลระถุงมานะแล้วก็เริ่มตกลงกันไม่ได้แล้วหมอก็เริ่มเกลียดใจซึ่งกันแลรกันเจ็บบอกว่ายาของผมดีกว่าของเขาอะไร่งี้น่าเกลียดใช่ไหมสังคมไทยไม่ค่อยนิยมเลยเอาอยามาวางบนโต๊ะนี้แหละสามสี่ถุงนะหลวงพ่อจะฉันอันไหนก็เอานะมีหมอไ้หาสวรรค์อะไรก็ไม่รู้เนาะ แต่คราวนี้หมอเดียวนี่มากหมอมากความคุณบ อ, อกไหมเกินเวลานิดหน่อยนะแต่กินข้าวไปนิมนต์ท่านอาจารย์เมื่อกี้มาจากกุติต้องนั่งรถมาถ้าเดินมาใช้เวลานา น, านมากเลย <c oughs> เชิญทีมงานเข้าไปได้นะหลวงก็นั่งนิ่งๆไม่เป็นไร